หนังสือเริ่มต้นด้วยภาพถ่ายของครูบาอาจารย์สมรูปพร้อมกับคำสอนดังนี้พระประมาจารย์หลวงปู่เสากันตสีโลการให้ทานใครๆก็ให้ทานมามากแล้วมีพลานิสงมากเหมือนกันยังสู้บวชเป็นขาวเป็นชีรักษาศีลอุโบสถไม่ได้มีอ น, นิสงมากกว่าให้ทานนั้นเสีอีกถ้าใครอยากได้บุญ อยากขึ้นสวรรค์ไปนิพพานพ้นทุกข์ก็ควรบวชเป็นขาวเป็นชีรักษาศีลอุโบสถเส้นในวันนี้ให้พากันละบาปและบำเพ็ญบุญอย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าที่ได้มีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงสักมากแต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์ของเราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมาก เวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมายอย่าพากันทมพระบูรพ า, ารย์ หลวงปู่มั่นภูริทัตโตหาคนดีมีศีลธรรมในใจหายากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาคนดีแม้เพียงคนเดียวยังสามารถทำความเย็นให้แก่โลกได้มากมายและยั่งยืนเช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างคนดีแต่ละคนมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นกายกองเป็นคุณค่าแห่งความดีของตน ที่จะทำต่อไปมากกว่าเงินแม้จะจนก็ยอมจนขอแต่ให้ตัวดีและโลกมีความสุขแต่คนโง่ชอบเงินมากกว่าคนดีและความดีขอแต่ได้เงินแม้ตัวจะเป็นอย่างไรไม่สนใจคิดไม่สนใจดูถึงจะชั่วช้าลามกหรือแสนโสมมมเพียงไรไม่หลีกห่างขนาดย ม, มาบาลเกลียดกลัวไม่ยอมนับเข้าบัญชีผู้ต้องหา กลัวจะไปทำลายสัตว์นรกด้วยกันให้เดือดร้อนคนดีกับคนชั่วสมบัติเงินทองกับธรรมะคือคุณความดีผิดกันอย่างนี้แหละใครมีหูมีตาก็คิดแก้ไขเสียแต่บัดนี้อย่าให้สายเกินแก่ หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนนี่ก็จวนแล้วนะมันก็ได้96ปีให้พากันระมัดระวังนี่ก็จวนแล้วนะมันก็ได้96้าสปีไม่นานละอายุเก้าหแต่จะเป็นอะไรก็ตามเถอะ เราพูดให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังให้ชัดเจนเสียว่าเราไม่มีวิตกวิจารกับการเกิดการตายของเราตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่มีจะก้าวหน้าก็ไม่มีจะถอยหลังก็ไม่มีคงเส้นคงวาหนาแ น, น่นภายในใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมธาตุอยู่ในหัวใจพอนี่ล่ละเราสร้างมากๆและกลั่นกรองกันไปกลั่นกรองกันไปก็กลายเป็นธรรมธาตุภายในใจดวงเดียว นั่นแหละพอพออยู่ที่นั่นจึงไม่วิตกวิจาร์เรื่องการเป็นการตายเมื่อมันพอแล้วมันพอหมดความพอมันอยู่ในใจดวงเดียวนะสิ่งเรลอานี้ไม่พอยังบกพร่องขาดเขินอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาสม่ำเสมอส่วนใจนั้นเราอบรมให้ดีแล้วเสมออยู่ตลอดเวลาเลย จะเป็นจะตายอะไรไม่ได้วิตกวิจารหละกเมื่อมันพอในใจแล้วไปรวมอยู่ที่ใจนะถูกทั้งมวลสุบทั้งมวลมาอยู่ที่ใจหมดจะสร้างอะไรก็ตามก็ตามใจเป็นคลังใหญ่สำหรับรับดีและชั่วให้พากันระมัดระวังความชั่วอย่าทำการทำความชั่วมากน้อยเท่ากับการทำลายตนเองมากน้อยเหมือนกันทําความดีมากน้อยเป็นการส่งเสริมตนเองให้ดีขึ้นโดยลาดับลาดาไม่เช่นนั้นตายทิ้งเปล่าเปล่านะ เราเกิดมาเนี่ยกี่วันกี่ปีกี่เดือนเราได้สร้างความดีมากน้อยเพียงไรแล้วสร้างความชั่วมากน้อยเพียงไรเอามาวัดมาตวงกันนะวัยเหล่านี้เป็นวัยที่ควรคิดแล้วนะอายุสี่สิบปีขึ้นไปแล้วเริ่มคิดละคนเราถ้าไม่ได้คิดตอนนี้แล้วหมดโอกาสให้คิดเสร็จตอนนี้ละ่ะอายุตั้งสี่สิบปีขึ้นไปละมักจะคิดเรื่อยๆละคิดเรื่อยเข้าไป เทศเมื่อวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552ณวัดป่าบ้านตาด